Book two. C. Where? At s c h o o En la leernio. We a i e s t s ู่ที่โ n งเร e e น n i e s t a s e n l a l e r n e o l เรากำลังเรียนหนังสือ instruadon havas น, น, น, นั่นคือนักเรียนที่อย esta s la lernaya n o j นั่นคือคุณครูที่อย esta s la instruistino นั่นคือชั้นเรียนที่ย่ เอาคลาเรากำลังทำอะไรอยู่ฮนฟัเรากำลังเรียนหนังสือเร์น <learn> เรากำลังเรียนภาษาดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ มิ l ลอคุณเรียนภาษาสเปนวิเลอร์ s ั a ลาฮเขาเรียนภาษาเยอรมัน l i เ e r ร์น la g าเ m a ร a n เราเรียนภาษาฝรั่งเศส n i l e r ร์น l a f r a n าัน พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนพวกเขาเรียนภาษารัสเซียการเรียนภาษานั้นน่าสนใจ เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Ni volas compreni la homoin เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Ni volas paroli kum la h o m o i